อ, องเตงก็ยกหมุนเข้ามาถึงขับทหารกระเด็นตีเกียงอุยเขามาเป็นสามะาเกียงอุถูกลุมถูกรอมรบเขานําำระนำหมาดชนิดเหลือกาลังนะตัวผู้เดียวน่าไม่กะไรหรอกแต่ฐานของตนสามพันที่ขุมมามาด้วยนี่สิมันกำลังไปยับเยินนะเกียงอุยเหลือกำลังลก็ควบมาพาถานหนีจะเข้าเมืองแหละแต่หนีแผนหกหลงแต่ขณะที่เกียงอีออกจากเมือง เพื่อเป็ต้มเสบียงนะขม่าเนี่ยก็แผงหกวงอยู่แหละอุยเอียงเนี่ยเข้าชิงเมืองเอกปวนได้ซะแล้วเปลี่ยนอุยออกแขนมือไปนิดอุเอี้ยงย้อนรอยเข้าตีเอาทานันทีได้เลยสำเร็จจับฐานคือนรับสารหน้าที่เชิญเธอว่าเป็นมั่นคงเปลี่ยนอุ้วกมาหมีเปี่ยนเอกองเป่งมาจะกลับเข้าเมืองพอมาถึงใกล้ชนกาแพง เห็นธงสำคัญที่ปากบึงเชิญเทินนู่นไม่ใช่ธงเก่าเธอแล้วเปลี่ยนหมวดมันเป็นธงสำหรับกองทัพองนิ่งอ่ะเกียร์อีก็ตกใจควบมาพาฐานระมาสิบคนด้วยกันแ่ะคือมีทหารมาสา0 0ัน่ะแต่นี่เกียง์อีกก็จะเรียกว่ารถแต่ตัวแล้วควบมาหนีไปมือเทียนซุยก็ไปพบเตียวปาเตียวปาเตียว อุ้มทหารส ก, กรัดฐานอยู่เตี๋ยวเปล่าก็รับทหารเข้าล้อมลุมรบเป็นสามารถเกียร์อีพร้อมกับทหารสิคนมาเหลือกําลังและบัดนี้เกียร์อีเองเนี่ยนอกจากจะรบป้องกันตนเองแล้วเนี่ยก็ยังรบป้องกันชีวิตทั้งสิบนั่นด้วยเห็นนี่ไหวแน่เกียร์อี ก, ก็จําต้องทิ้งฐานทั้งสิบควบมา้าหนีไปแต่ผู้เดียวไปยังมืงเตี๋ยวซื่อเกียร์อีไปถึงเมืองเตีซื่อระ ถึงก็ร้องเรียกหาไม่มีให้เปิดประตูรับฝ่ายไม่ยประตูก็รู้อยู่ดิกบเมื่อเมื่อ ว, วานนี้ตอนเย็นตอนค่ำเกียงอืยมาทารกแล้วก็มารบปีกระนำเสร็จแล้วถอยไปไอ้บ่านนี้เกียงอืยมาเรียกใค้เปิดประตูรับอย่างนี้มายประตูแครงใจนะก็จริงว่าเกียงอุอมาเนี่ยไม่ได้ใครเปิดประตูเมืองรับเนี่ย หวังจะลวงเราสิลวงให้เราเปิดประตูเมืองรับแต่จะนำทหารทั้งสิ้นบุกตรวีเข้ามายึดเมือง น, นี่ายประตูก็สั่งการได้เลยให้ทหารเอาเกาทันกระดมยิงีงินอุยเห็นอย่างนั้นเอากลายเป็นถูกยิงไอ้เกาทังก็ตกใจถากมากลับออกมาก็พอดีกองทัพของมึงยกมาถึงกงนอุ้ยก็พวบมาหนีไปหาเลี้ยงเขียนณะเมือง เสียงเพลง แต่ตัวผู้เดียวต้นหนีหนีเปมือเสียงเพลงเขาต้องเรียกว่าเด็นความบุ่นวายใจเป็นที่สุดสิทําอย่างไรอ่ะหนีมาเมืองเทียนซุยต่เข้ามือกับผูกยิงได้อย่างเนี้พิษกล่าวข้างหลี้เขียนหนีเสียงเทล ง, งเนี่ยยืนเฉยๆเห็นกินมีขวบมามาก็โปรธ รูออร้ข่าวกันแล้วล่ะหลอเกียอเป็นขบวนน้ข่าวนั่นผีขงเบงก็ะมอนเนี่ยเียเข่งก็ตโกด่าที่ว่าไอ้โจรมึงเป็นขบวไปเข้าดีอของเบ่งแล้วยังจะกลับมาเมงเอามือกูหรอวแล้วเรียเข่งก็สังให้ามบน เ, เินเอากลทำรเดินยิงลงไปกอุ้ยตกใจเป็นที่สุดถึงร้องไห้เลยแค้นใจนักไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยร้องไห้ ควบม้าหนีไปทางมูลเปียงอ๋งไปถึงป่ารบชัดแห่งก็ดึงเสียอหางโหรองอินอนอนยู่แล้วก็ป้วนหวินปวนหวินลูก้นวนกูปวนหินสางข้ารให้ส ก, กัดทางเขา้าวเกียงอเห็นดังนั้นครั้งจะเข้าสู้รบ ก, กับปวนหินหรเป็นเองในอิิโรยกำรันนะก็รบกับเงินเอ็กิวเอา รบกับอ็กงตะเรืเปิดเป็มาเมือเอทียนซุยออกจากมือเทียนซุยมาเมือเซียงเท้งเนี่ยดูเถอะมันไม่เคยหยุกไกๆลๆอ่ะแล้วก็รบด้วยหนักหนานักอิตัยกำลังยิ่งแล้วแลม้าก็อ่อนโรยลงเพียนอุยไม่อาจจะสู้ควนหินได้เพราะตัวไม่มีกำลังแล้ ว, ลวนอกจากสู่สิ้นกำลังกายแล้วมัวนยังสิ้นกำลังใจด้วย เกียง์อุ่ยก็ชา้ามากลับหนีมาก็พอดีเห็นขงเบ่งขี่เกียนน้อยพาฐานลับทางออกมาตามเชิงเขาเกียร์อุ่ยก็หยุดมาขงเบ่งก็ร้องว่าแกเกียรอุ่วว่าเกียรอุ่ท่านสิ้นความคิดได้รับความลำบากถึงเพียงนี้แล้วเหตุการไหนทึงไม่มาอ่อนน้อมต่อเรา เี่ยมีดการดังนั้นคือเขาก็ททาหมดเต็มิ้่พยศแล้วแย่แล้วหมดทางเ็าจึงคิดว่าตัวเราแบบนี้อยู่ในระหว่างสึกเข้าตาเต็มอยู่แล้วแต่ถอยหลังไปนั่นหรืออุนหินพร้อมกับทหารจะนวนมากก็ต่างสกัดทางอยู่ครั้นจะเข้าไปหาของเบ่ณนะแบบนี้เราก็จะสมราย ผมร้ายซึ่งคนมิ้าว่าเราเป็นขบถอกาอืมก็จะเป็นจริงตามที่เขาว่าเขาว่าเราเป็นขบถถ้าเราเข้าไปหาของเบ่งเนี่ยมันก็จะเป็นจริงตามเขาตัวกูก็เป็นชาติทหารจะให้ปลาอดชื่อไว้ในแผน่นดินที่ตึงได้เกียอุ้ยคิดดีๆแล้วก็โดนมันจากหลังมาชักกระบี่ของตนเองออกจะเชื่อคอตาย คนเด้เห็นนั้นนะั้นก็ตกใจและก็ดูกันอยู่ทุกขณะเห็นเกียร์อุามันคงเด้ก็รีบเพนลงจากอเยนเหมือนการวื่งก็ไปยึดกระ บ, บี่นั้นไว้แล้วก็พูดว่าตัวเรานี้แต่เพื่อว่าวียังไม่ชุบมือก็เป็นคนเข็นใจอยู่นั้นเราก็พอใจคบหาเพื่อนสแสวงหาวิชาไม่ได้เห็นผู้ใ ด, ดที่จะมีกติปัญญาหลักแหลเหมือนท่านเลย มีคนเบ่งกล่าวดังนี้เลยแต่ก่อนนู้ก็สอบแสวงหาคนมีวิชาความรู้เนี่ยยังไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนท่านเลยบัดนี้เราได้มาพบท่านก็มีความยินดีนะท่านไปอยู่กับเราเถิดจะได้ช่วยกันคิดอ่า น, ท, านบบทําการทะลุบํารุงแผ่นดินให้เป็นสุขสุบปัดแผ่นดินเราณนะบัดนี้ก็แตกแยกเป็นสามอกสามฝ่ายอยู่ฉั้น เราจะรวบรวมแผ่นดินได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อความผาสุก ข, ของนานาประชาทั้งปขอท่านกลนได้คิดอย่าให้เสียทีที่ได้เรียนวิชาไว้มีคนไล่นกล่าวดังนี้เรืองความยิงอันต่องแพ่อยู่นั่นก็คือว่าก็แผ่นดิน ก, กินด้วยกันมันแตกแยกกันเป็นสามโกสามฝ่ายเนี่ยถ้ารวมเป็ น, นึ่งอันเดียวกันจะได้เนี่ยอมืมันก็จะเป็นคุณมาหาศาน่ะ กะดู ว, ว่าประการสาคัญสุดท้ายก็คืออย่าให้เสียทีที่ได้เรียนวิชาไว้มีวิชาความรู้ได้ศูงเปล่าไปเกียร์อื่นได้ฟังดังนั้นน่ะก็คำมับกราบลงกับเท้าของเบงของเบงก็จูงมือเกียง์อื่นมาขึ้นเกียนน้อยแล้วก็พากันกลับมายัางค่าย กลับมาถึงข่ายของเบงก็ฟังให้แต่งโตขึ้นมาจากโตมาถึงโตธุระอาหารและก็เชิญเพียงอุยเซรษฐุระองเบ่งก็ปรึกษาการที่จะตีเอามืองเพียนซุยและเมืองเซียงเทงแต่เกียงอุยนี่แหะว่าจะทําอย่างไรเกียงอุยก็จรงว่าอินเชียงกับเลี้ยงซีซึ่งเป็นทหารอยู่ในเมืองเทียนซุยเนี่ย เป็นเพื่อนที่ชอบพอกันกับขาบาเจ้ามาก่อนขาบาเจ้าจะทํากนเขียนหนังสือสฉบับผูกลูกเก่าพาันยิงเข้าไปให้อินเทียงกับเบีย้ยชีเป็นไส้สุดที่นนหมหนื่อยแล้วเราก็ยก้านเขาปีกระหนาบขั้นนอกเข้าปัดก็จะได้เมือโดอนดง่ายผมเบ่งก็เห็นเลือดกินมือก็เขียนหนังสือสองฉบับใจความดังกล่าวและผู้ลูกเกาา่าพัน แล้วก็ขวบมาไปถึงเชิงกำแพงแล้วก็ยิงเกาพันเข้าไปในเมืองทหารในเมืองก็เก็บอยู่กาพันันมาเห็นหนังสือแกะหนังสือออกมูก็เอาเข้าไปแก่มาจุ้มามจุ้ได้แจ่งความในหนังสือก็คิดสงสัยก็ถือว่าแกแหวิ Hair ่หลินที่ขนเบ่งปล่อยมาเนี่ยนะก็ปรึกษาที่วเออินเชียงดับบลซีสองคนเนี่ยกับเกียงอเนี่ย เป็นคนชอบพอกันมาแต่ก่อนบบดนี้อินเทียงกับเลียงซีเนี่ยจะเป็นสายสุดขั้นทางไหนนี้เราจะคิดอ่านประการใดแหเวหหลุมพันแมททับยายก็จริงว่าเลงซีกับอินเทียงเนี่ยก็อยู่ในมือเราก็เพียงไปให้ทาหารไปเรียกลวงเอาตัวมาฆ่าเสีย เพื่อแก้ซึมความทันตังวงเท่านั้นแฮว์วิลล์คิดฆ่าง่ายๆเลยแต่มันจะง่ายดังว่านี่หรือคนเฟอร์นิทของอินเชียงมีอยู่ในที่นี้รู้ความอันนี้เขาเนี่ยก็รีบเอานิความเนี่ไปบอกไับอินเชียงล่ะว่าแฮว์วิลล์จะลวงตัวไปฆ่าแล้วอินเชียงก็ไปหาเลี้ยงซีเราเมื่อความพระบุญให้ฟันอ่ะ แล้ววับัตรนี้เราจะตายแล้วเนี่ยถ้นิ่งอยู่จนนี้ก็จะตายใช่เปล่าจำเราจะต้องคิดอา่านไปสมัครอยู่ด้วยของเบ่งจริจงจะพ้นอันตรายเลียงสีด้วฝันก็เห็นด้วยครั้งเวลาค่าเนี่ยแฮร์วหิ่ก็ส่งถามมาเชิญคนทั้งสองเนี่ยเป็นหลายครั้งแล้วหวัดจะให้เชิญไปปรึกษาจัดการด้วยดินเชียงลงสีทั้งสองนี่รู้อยู่แล้ว เขาจะเอาตัวไปข่านะก็จิ้ไม่ไปแต่ก็มาปรึกษากันว่าถ้าเราไปตามคำเชิญน้ำบัตรนี้มาจุ้งก็จะฆ่าเราเะเป็นแม่จำเราจะต้องคิดอ่านออาตัวรอดทั้งสองคิดกันดังนี้ครั้งเวลาดึกอินเทียงกับบิ่งซีเนี่ยก็พาฐานคนสลิดประมาณสิบคนลอบออกไปเปิดประตูเมียงรับ กองทัพขงเบ้งเข้ามาในเมื อ, link, องแฮว์วิลิ์กับมาจินเห็นกองทัพขงเบ้งยกเข้ามาในเมืองได้เกล้าก็ตกใจก็พาฐานคนสนิทประมาณร้อยเยวเท่านั้นแหละรีบหนีออกไปทางประตูทิศตะวันตกตรมไปยังเมืองเกียงเสีย เชียงเี้งซีเนี่ยเมื่อเปิดประตรัเบข้าไปในเมืองได้แล้วแล้วแฮวริมาจุนหนีไปแล้วเอาของเบเข้าเมืองได้แล้วเนี่ยก็เกลียกล่อมมรสทสดาบวงให้อยูขึ้นเป็นปกติและของเบงก็ปรึกษากับผ่านน้งพง ว, ว่าทําชนไหนเราจะได้เมือเสียงเพงนี่ยเซีก็จริงว่าเลียงเขียนถึงเปิดรับาเมืองเสียงเพน่ะ เป็นน้องข้บะเจ้าขบะเจ้าจะขออาสาไปชักชวนเลี้ยงเขียนจะสมัครออาเมืองมาขึ้นแก่ท่านขงเบงเลี้ยฟังก็ดีใจเลี้ยงสีก็ลาขงเบงไปเมืองเสียงเทืะก็เข้าไปหาเลียงเขียนผู้น้องผู้จ่าเรียกรอเป็นอันมากนี่ต้องผู้จ่าเรียกรอราเป็นอันมากละเม่ที่สุดสำเร็จเลี้ยงเขียนก็ยอมสมัคร พากันหมาขงเบ่งขงเบ่งคอยบำเพ็ญรางวาัลแก่เลี้ยงเขียงลียงซีและอินเชียงเป็นอันมากทีเดียวแล้วกดปั่งเลียงซีนี่แหละให้เป็นเจ้ามือเพียงซีแล้วก็ให้เลียงเขียนน่หละอยู่เป็นเจ้ามือเสียงเท้งดังเดิมให้อินเชียงไปเป็นเจ้ามือเอกขวนนี่เป็นเราขงเบ่งบัด น, นี้ได้มือสามมือติดติกันเลย มาบัดนี้ทหารท่านปอนให้สงสัยมีพฤติกรรมบฤติการตั้งหลายแหล่ที่หกหลวงกระทามาเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรกับการใดโดยที่สําสคัญกรงที่ว่าผลเบ่งปล่อยเสือตัวใหญ่เข้าป่าไปแล้วคือปล่อยแฮววลินไปเนี่ยทหารท่านวงอบอยู่ไม่ได้แล้วบัด น, นี้ก็จึงถามขนเบ่งดูงว่ามหาอุปราชปล่อยแฮววิลินไปนะ ด้วยเหตุใดผมเบงก็จึตอบว่าเราปล่อยแ a ห, หัวลินไปนันเหมือนว่าเสียเ็ดตัวหนึ่งเท่านั้นเองแบเกียงอมาไวเหมนหน่งได้โหรงามตัวหนึ่งแต่บางทองตายแล้วก็ยังไม่เห็นผูดด้ใดจะมีสติปัญญาเหมือนเกียงอุยเฉินนี่นี่คือคาตอบของเบงสั่งในการที่ทำเสีย สิ่งนงแต่ก็ได้สิ่งมนงมาทดแทนกันเนี่ยาฐานทูเน็วนักก่อคำมับ ก, กราบลงสมเ็มของเบ้งว่ามีสติปัญญาหาผู้ใ ด, ดเสมอมิได้กิจศึกษาไม่กอบฟื้นเฟื่องต่อต่อต่อกันไปรวเมืองทั้งปวงบ้านเล็กเมืองน้อยทั้งหลายต่างก็พากันมาอ่อนนอมต่อของเบ่งเป็นอันมากของเบ่งก็มีใจกำเริบจากแจงผานยกไปถึงเขากิสาร แล้วก็ตั้งค่ายอยู่รินแม่น้ำอุยสุยอย่างน้อยที่สุดของของเบ่นได้ตัวฐานมาอยู่ด้วยที่พอกล่าวถึงได้ก็หนึ่งเกียงอุยสองเลียงสีสามอินเชียงสี่ส เ, สเลียงเขียนเนี่ยสี่บุคคลสำคัญเลย เดิรว่เกียงอุยเสียกไปตัวเดียวได้โหมาแทนตัวดินได้งือสาคบอีกสามเมืองเทียนซุยเอ็กขวนเสียงเทนอีกสามเมงนี่ทนี้ข่าวสดนี่แหละมาชายก้นนาข่าวนี้กไปรายงานยิงมโลกเอียงเรียว่ากลับเพเจ้าจอยให้ทรงทราบละขณะนั้นเพื่อเจ้าเ จ, าเจ ย, ยอ ย, ย, ย, อ, ยอ่าพอตระเกงว่าหลาน พระเจ้าโจโฉเป็นลูกพระเจ้าโจผีคือพระเจ้าโจย่อยขึ้นครองจะสมบัติได้ขึ้นปีตอนนี้ตรงกับปีพุทธศักราช770ถึงเดืนอนไอเสด็จออกพระที่นั่งเซิงเตียนคุณนางผู้ใหญ่ก็ทูลว่าแฮว์โลินไปทำสึกครั้งนี้เสียทีแก่คงเด้ง นีมาอยู่าเมืองเกียงเสียและบัดนี้โคเม้งก็ยกทัพเข้ามาถึงเขากิสารกองหน้าล่วงเข้ามาตั้งค่ายอยู่ริมแม่น้ำอีซียฟ้าตะวันตกจำเราจะต้องยกฐานออกไปตัางฐานแตกไกลจริงจัได้พระเจ้าเจยยอยเด็กฟังรายงานดังนั้นก็ตกใจทีเดียวเขาถามคุณนานทั้งสองว่า ผู้ใ ด, ดจะอาสาไปทําการเอาชายคณะของเบ่งได้บ้างอองหลงอองหลง ท, งท่านี้คุณนายผู้ใหญ่ได้เอ่ยชื่อกล่าวนามท่านมาหลายครั้งแล้วอองหลงนี้ก็ทูลขึ้นว่าอันคุณนายผู้ใหญ่ที่มีฝีมีอเคยทําสุดแต่ครั้งเพื่เจ้าจมีอองพระอัยากาของพระองค์นั้นคือแต่ครั้งโจโฉปู่ของพระองค์จะเพิ้นแข็งอยู่ก็แต่โจจิ๋นผู้เดียว ขอพระองค์ให้โจจินเป็นแม่ทัพยกไปรบเถิดเห็นขนเบ่งจะถอยทัพเป็นมั่นคงอองลองธูขิดอนนี้พระเจ้าโจยอยก็เห็นด้วยก็จึงไงหาโจจินเข้ามาแล้วก็กลัดว่าเมื่อพระเจ้าโจผีพระเจดิดาของเราเจะสิ้นพระชนนั้นก็ไว้พระทัยฝากการเป็นดินไว้แก่ท่านบัดนี้ขนเบ่งก็ยกม่วงเข้ามาในแดนเรา ท่านลืรับสารพระเจ้าโจผีซะแล้วหรือยืนนิ่ดูอยู่ได้นี่เรียกขมาต้องมีซะก่อนโจหญิงก็ตูว่าข้าพเจ้าก็คิดถึงคุณพระคุณเพระเจ้าโจผีอยู่รเรียกขมาจะตั้งใจจะทำประการกว่าจะสิ่งชีวิตแต่ข้าพเจ้ามาคิดเห็นว่าตัวเป็นคนสติปัญญาน้อยเห็นจะทําการไม่ตลอดอองวองนั้น เห็นโจกินทุนเป็นตีทองเต็มยูอย่างนี้ อ, องลลงก็จึงว่าแกโจกินว่ า, วาท่านเป็นคนผู้ใหญ่เคยทำรัชการมาแต่ครั้งพระเจ้าวีอ๋ อ, องคือแต่ครั้งโจัวซึ่งจะมาเจราจาทองตัวเป็นเชิญอยู่ชะนี้มิชอบเราช่วยกันทำการอาสาแผ่นดินเถอตัวข้พเจ้าคนแก่นี้อายุเจ็ดปีแล้ว แต่ก็จะยอมไปกับท่านองหลงเจ็หอายุจะไปทับกับโจจิงด้วยโจจิงไม่ฟันั้นก็ถูลพระเจ้าโจยอยว่าซึ่งข้าพเจ้าทูลขึ้นทางนี้เพราะคิดเกียนตัวใช่จะมีพืแบบ้แต่ประการใดนั้นหามิได้เมื่อไม่มีผูดด้ใดแล้วข้าพเจ้าจะกว่าจะขออาสาจะร้องพระคุณกว่าจะสิ้นชีวิตแต่จะขอกุยเ้วย เป็นประลัดทัพไปด้วยนอกจากแม่องรองคนแล้วนะ อ, องรองอาสาไปแต่โจจิ๋นขอกมีห้วยไปด้วยเขาเจอเจอยอยเด็กฟังนี่นก็มีความยินดีก็ตั้งให้โจจิ๋นเป็นแม่ทัพให้กุ้ยหุ้ยเป็นประหลัดทัพให้องรองอคนเก่าผู้เฒ่าวัยเจ็สิหเป็นที่ปรึกษาไปในกองทัพด้วย ให้คุณมทหารยี่สบมื่นเท่าที่แฮเวริ่ง ม, มัไปเหมือนกันหมอกกำลังทับให้ยีิหมืน่นโจกินก็ออกมาจากการทีเดียวแต่งตั้งโจจุนเป็นแม่กองหน้าจุจ่จานเป็นประหลาดทับครั้นถึงวันนี้เรื่อก็ต่างกระบวนแฮรยังทับกระสะับเพราะว่าโจกินนี่แสงโจแต่งยังทับกระสับ กรมบวนออกจากเมืองพราะเจ้าโจยยอยเองก็เสด็จออกมาส่งถึงนอกเมืองครั้นโดไปถึงแม่น้ำอุ้ซุยก็ข้ามฝา่ไปตั้งอยู่ข้างที่ตอนตกโจจิงนั้นมอตั้งทับตั้งขาข่ร้อยแล้วก็ปรึกษากับองรองและกีว้วยว่าเราจะทำระ ก, การใดอ่ะจึงจะได้ชชนะขงเบ้ง อ, องรองพูดเท่าวัยเจิกนี้ก็ติว่าท่านยาวิตตกเลยเวลาผูน้นี้ท่านจงให้สารยกธงเทียวตั้งส ง, งาออกจากค่ายเข้าเจ้าจะออกหน้าไปพูดจากับขงเบ้งจะตีแต่ได้ลงปากให้ขงเบ้งพันนมมือเข้ามาอ่อนน้อมต่อเราแล้วให้ยกกลับไปมือเสียวนเมียใค่ผนได้ความลำบากเลยมีกัน อ, องรอง จะทำสงครามวาจาเราว่าอย่างนั้นจะตีแต่ไม่ลมปาดให้คงไม่พันงงูงเขามาอ่อนน้อมต่อเราแล้วให้ยกทัพกลับไปมีเศฉวนด้วยี่ให้ใครทนในความบ่นมากเลยอ้ อ, องรองว่าแกนี้โจกินได้ฟังก็ดีใจก็อ้องรองผู้ยายผู้เท่าย่อมสามารถนรักละก็เขียนฝีสมบนีิ ให้ทานถึงให้คเงเน่งนักไข่คงเน่งเป็นใจความว่าเวลาพุ่งนี้ให้ยกฐานออกจากไข่จะรบกันแต่เวลาเช้านี่ทารบลร่งนีเช้าออกรบกันแล้วก็สั่งทานในบวกทีเดียวให้กินอาหารเตรียมตัวแต่สามยามพรุ่งนี้จะออกรบกับคมเน่ สามยามพรุ่งนี้จะรบกับขงเบงคันเชา้าก็พร้อมกันละ่ะทั้งขงเบงกับหนงสือท่ารบแล้นี่พอเช้าขึ้นทั้งสองฝายก็ตปมาหลอกคล้ อ, องกร อ, องออกจากค่ายนำกระบวนทับมาตั้งอู่นะบริเวณวิถีภูมิหน้าเขากิสานพร้อมกันกิสานฟัวฐานคงเบง เห็นฐานโจกินมีกำลังพลังมั่นคงเข้มขันกว่ากว่าทหารแอวหัวหลินไปนอันมากเนี่ยฐานของเบสก็คิดเกรงอยู่ครั้นฐานทั้งสองฝ่ายมาเปิดชันหน้ากันเข้าสงบเสียงมารอกค้องกลองแล้วอองรองท่านนายฐานใหญ่วัยเจกกขับมากมามาทหารให้ตจกินนี่อยู่ขวาแหนกว้เว่ยอยู่ซ้าย นายทหารทับมาสองพันนั้นให้ออกแซงอยู่คนละมุมทับ อ, องหลงเพื่อมาใช้เข้าไปร้องว่าให้เชิญแม่ทับออกมานายเราจะพูดด้วยขั้นหน่อยคงเบ่งเบ็กฟ้านก็ขึ้นเกวียนคงเด่งไม่ขี่มาขึ้นเกวียนแต่งตัวอย่างมหาอุปราให้กวมหญิงนอยู่ขวาเตียเปลาอยู่ซ้าย จูงลงขุนพลคู่ใจกับมายทหารทั้งปวงเป็นกองหลังยกออกหน้าหาร แ, รแย่ไปนายทัพยืมมากันสัระทนเคียงกันอยู่สามมานะก็ท่านองลองโจกิน่วยอ่ะนายทัพนี่ต้องมีคนกั้งร่มใหญ่อะเขาเรียกสัระทนของเบ่งก็คิดว่า เอกทหารแก่ที่อยู่ตรงกลางน่ะจะเป็นที่ปรึกษาผู้ใหญ่สำหรับทัพให้เชิญเรามาบัดเห็นจัดเจรจาเรียกกล่อมให้เราอ่อนน้อมต่อเป็นมั่นคงผมไม่ เ, เห็นหมันก็คิดก่อนทีเรียวเขาจะทำอย่างไรกับเราเขาจะเอาอยัางไงบิคิดไว้ก่อนไม่พูดถึงการได้เข้าวากันอีกทีหน่คือพอคิดได้ได้วยผมเลยนนะ เหตุนั้นก็รีบขับกูนออกไปแล้ว่้ายทหารไปร้องบอกว่ามันนี้นายเรามาแล้วนายท่านจะพูดา ก, การประการใดอย่างไรก็เร่งออกมาเถิดองลองเมื่อก่อมนั้นก็พื่อมามาถึงหน้าเงของเบงกิดเดียวและต่างคนต่างก็คำนับกันตามธรรมินียมผมได้ววเ ง, งเยไวห้าสเศษองรองมีเกตสิหก็ทะเลกับพ่อกับผู้ของคนได้อายุ ป, ปา่าน ก, กันโดยประมาณก็ยี่สิบปี่ อ้อนวงก็ว่าแกคงดุกวะเขาไปเจอแต่ยิ้มกินกิติสัพเพื่อนู้ชื่อทางกวดชามานอยู่แล้วโดยมาพบกันวันนี้ก็เป็นบุญของเราตัวท่านเป็นคนมีวิชาความรู้และรู้คำนวณธรรมเนียมการแต่ดบินอยู่เหตุใดมิเข้าเป็นพวกไอ้คนผ่านค่าตำยกกองทัพมาทันนี้ มีองลองโลมถ้าจะเป็นอาวุธก็รีบล่ะมีอยู่ไปแบบแข็งออกไปละผมไม่งเด็กฟันวันนี้อืมแต่แรกเขาไปยบอย่างัเถิ่นเย็นยอดเดีะแต่เหตุใดไปเข้ า, ปาเป็นผู้ไอคนพาลฆ่าต่ำยุบผมไม่งเนีก็ตอบว่าเหตุใดท่านถึงเกิดการทัณฑ์ พระเจ้าเห่าปีก็เป็นเชื้อพระวงของพระเจ้าเย็นเตเป็นเชื้อพระวงรัชวงศฮั่นพระองค์สั่งเราไว้ว่าให้กำจกัดไอ้พวกโจรศัตรูกรจ็จะสมบัติได้ได้เราจรึงบวกกองทัพมานี่เขาไม่กรตอบอย่างนี้คืออย่างน้อยแก้ปันหาตกไปข้อนแล้วว่าไอ้คนพ่านชาตต่ำเนี่ยไม่ตม่งเราปีเป็นเชื้อพระวง ออลองก็ถือว่าอันพระเธอมีการแผ่นบินจะยึดเอาว่าเป็นเพี้ยนนันไม่ได้พูดได้นี้ว่าจนามากได้สมบัติก็เรียกว่าเป็นเกิรซัดอันหงลมเธอจะเหนเต้นแผ่นบินก็เป็นอันตรายเัวดจะรา จ, จรนลุลุ่มมาเมือครั้งเธอเล่นเต้ได้ละจะสมบัติก็เกิดโจรพกผาเหลือนทำจะรา จ, จนขึ้น ทวแผน่นดินราชบุรีดได้รับความร้อนกันขึ้นครั้งท่เจาเยี่มเตยเด้ครองเราจะสมบัติต่อลราตันโต้ก็จะทําหยาบช้าต่างๆแล้วก็เกิดรบ ก, กับวิถีวีกีขึ้นกลางเมืองอ้วนฝึกหนึ่งอ้วเตียวมึงเหล่าเตียวหนึ่งโต้ ห, หนึ่ ง, งก็เป็นขบวตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองแข็งเมืองขึ้นทั้งสิ้น รศัศด ร, รทั้งปวงก็ไม่มีความสุขเลยครั้งนั้นพระเจ้าเฮียนเตก็อามาเหม น, นไข่ตั้งยูนบนฟิลาหัดว่าพระเจ้าวีออกเจ้าเรามีบุญ ม, มากพระเจ้าวี อ, องคคือโตโฉมีบุญ ม, มากกำจกกัดปึกให้ลานีก็ได้พระเจ้าเฮีนเต้และรัศด ร, รทั้งปวง ก็เดี๋ยวหลาบตานอนเป็นสุขมากขึ้นฝนปตบต้องตามบีบูการเก็บเกี่ยอาหารก็บริบูนิโดยขับสงมีอนรองค่อยๆรนเบาความเมือยเป็นขาดขาดขาดมาอย่างนี้ทีเดีพวพอเขากล่าวถึงตรงนี้เขาพูดต่อไปทีเดียวอันห น, นึ่งคโบรานได้กล่าวไว้ว่าเกิดเป็นคนในเป็นดินใ้คิเคราะห์ูการ ขูพดใดมเผานมากก็ให้เข้ามอกนกเป็นข้าอยู่ด้วยผู้นั้นจิงก็ได้ความสุขแม น, น่ึขืนทาโบราณก็จะติบหายเ็นตัวตายก็บัด น, นี้พระเจ้าเกยยอยมีรับฟังให้เราคุมทหานเอกนิพพานทหารโลนี้ยี่สิบมื่นยกออกมานะ่ะมืนโล่ไม่ป่า ที่เคาะมูกองทัพท่านมิหินห้อยติดปลายยากถ้าจะรบพุ่งกันเข้าไปจะเป็นอันตรายยัดเยินไปข้างเดียวตัวท่านเป็นคนมีปัญญาหลักแหว่สารพัดจะรู้ขนมธรรเนียมการทั้งปวงเหมืนจะโทษตัวขึ้นคิดผิดไปเข้ากับเล่าปีนแต่รู้จักแค่นี้แล้วก็จะยอมอ่อนน้อมต่อเราได้โดยดี เราจะกราบูนให้เกลีวยอยให้ตั้งท่านเป็นคุนนานผู้ใหญ่ก็จะดีกว่าอยู่กับเล่าเสื่อนนี้และจะแก้สารทั้งปวงก็จะได้ความสุดในทว่ากัรผมดึเด็กปา่านันก็วิาะและก็ตอบว่าเตียขึ้นก็เป็นคุนนานผู้ใหญ่และเป็นคุนนางอยู่ในพระเจ้เรื่องเมอมาก่อน ควรจะรจาให้เป็นทํามตามขหพระมิยนเหตุไดจึงมาว่าเช่นี้ท่านจึงนิ่งฟังเถิดเราจะว่าบาัณฑคคำหควรดำเ น, นินต่อไปดังนี้ครับขนบเด็กฟังออ ง, ลองหลงหาดังนั้นกบวระ ถ้าท่านก็เป็นคนานที่ใหญ่และอยู่ในพระเจ้าเรียนเตอมาก่อนควเรเจรกาให้เป็นธรรมตามขนบทรมเนียมเหตุใดจึงมาว่าเช่นนี้ท่านก็มีเ่เถิดเราจะว่าบัางสักคำคงเป็นอย่างนี้แต่ตอนที่เขาเข้ามีการตั้งขังก่อนมี่ก็ใช้คำเนี่ยเราสบยกเกยียมี น, นังมี่งไปเลย เคยฟังก่อนทีนี้ดูว่าหคบหลมีเหตุผลเพียงพอที่จป ก, กลา่ามแต่คำว่าคำนี้มันเป็นคำบดี้องนคะครับเขาก็เริ่มเต้นไยว่แต่เมื่อครั้งเขาเริเ่เต้นไเรืเ่อยๆจะสมบัติั้งเพราะพวกอันตรายอย่างต่างๆจนเี็นศทางมาเกิดจนเกิดโดนหคบิลขึ้นมาภายหลัง เราลืมูรีตีคิดคำเาทการยาท้าต่อไปนจนกรทั้เงเบียยเตะในความเดือดร้อนเพราะเพื่อเีเตนี้ด้พิเคราะห์เอาคนฆ่าตามชาที่นี้ได้มีความคิดมาตั้งเป็นขุมนนลองลองหัผู้เราก็รู้จักอยู่โดนเป็นลูกกระปูนหรือมั่ง สกุหรือว่าเป็นผู้ดีนสกุลนีมีมารตั้งให้คนที่เป็นักเพือพันธุ์สติปัญญาที่จะคุณีดามานดามีแต่ปัญญาเพราะเจ้าหญงเตจึงตั้งให้พันเป็นขุนนางที่ใหญ่วรท่นควรที่จะทาการเป็นหมอเพระคุณเจ้าหญิงเตโดยสุริ ป็นยกย่องเทพระเอยอ็นขึ้ครองสมบั ต, อติอีกเจ็ช่อและท่านเนี่ยปรบคิดเข้าดปไอเกินที่เอาแต่สมบัติแค่นี้พวกก็ผิดอยู่เป็นอันหนะคนทีปโวงที่สัดซื่อต่อเป็นดินก็ขีแค้นท่านนะแต่ใครฉีเดเนื้อกินก็ทั้งเป็นถึงเทพยาดาในทั้งฟ้าก็จะสังหารท่านและบัตนี้เราพิเคราะห์เองว่าม แต่เชือเพื่อเยื้เตอือนอะยังมากอยู่เพเื่อเราดีกจะเป็นใหญ่ขึ้นในเฟสชวนซีต่อเพื่งกันต่อมาเตัวเรารั บ, ร, บรับจางเพเื่อเราเซียให้ยกกองทัพมากราไ้โจนเพื่อสมบัติเตี๋ยว่เป็นคนอาก ต, ต่างดูเรื่องนี้ซุกซ่อมไปเอาตัวรอกให้ท่นความตายเถอะอย่าฝืนนามาพูดงการบินเลย าเริ่คิดถึงตัวนี่แก่ชราถึงเพียงนี้เล้วจะตายไปดูหน้าเลยโยมพระเย้่ยนเป๋อะไรได้หนุนผมเด่งยกกล่าวอ่านันนี้เบ่งพทธิส้าคัญที่แไกินอ่องรองเหนือก็เป็นคุณยูเนะเจ้าเย็นเมาก่อนนะก็อยู่กับพระเจ้าเยอนมาก่อนแต่ลรไปเข้ากับเอ่อเราก็ไปยอม เโถเีเจ้ยอยอีกให้จนกระทั่เป็นผู้ช่วยที่จะสมบัติมาให้แกเจ้าีเจ้ายอยนี่แหละเนี่ยความสาคัญอย่างนี้และผมเองก็ด่าทีเดียวมีแต่มีข้าวมีบอกเรียนด่าทีเดียวด่าองหลวาให้เกินเท่ามีลูกกลับไปบอกไอ้พวกขมุให้ยกกองทัพมารบเก่งทีนวะผู้ใดจะแพ้เลยนะ องดูก่ดังนั้ น, นคิดแทนใจแนจยยนะคนใจยินะดิฉันลมบาความมาทั้งสิ้นมันเป็นความปีนเดยตลดเดตนเองเป็นรูปเชี่อรูปเฉมมีสรมีกตอต้นตัวเขาต้องเิดเป็นข่าในพระาทที่ยเปแตแต่แล้วกับช่วยที่ะสมบัติ หลายเระการที่ขนเป็นยกมาดาว่านะี่ยมันเป็นความดีทั้งสิ้นอ่ะอองร้องทุกนาด้วยความจริงเข้าเฉียดไม่ที่ทําุการ์ใดความขันแค้นอับอั้นตามใจเปนที่สุดไม่ที่สุดก็เป็นเสียงร้องขึ้นมาด้วยเสียงอันดังแล้วก็พลัดตกเปลี่ยจากหลังมาฮะไปถึงเกิดความตายนี่อองรองทูกมาดจนจนขาดใจตายแหละ เห็นแบบนั้นก็เอาทัพที่ถือน้ทีน่าเจ้ากิแล้วก็ร้องว่าให้ท่านเร่งตัดเตีนงหาไม่พร้อมเถอดพื้นนี้เราตีดอกลกกันว่าแล้วขุนเด้งก็นำทัพทั้งปวงกราดเข้าขายฝวายเจ้ากินขุนพลรุ่นแฟสตมีองรองเป็นที่ปึกษาคนสำคัญขององทับมาเดือดแต่ท่านที่ปึกษานี่ วแมวาจาก็ถึงแต่ความตายแคต่อหน้าต่อตาแบบนี้โกกินเกิดทำได้ก็แตกการจัดแกนศพขององหลงจะส่งขึ้นไปในหัวตีห้วยประหลาดทับคนสำคัญของเจิดกิ่นนี่ก็คือว่าเกิดกลินว่าคนดึงแต่เราจะต้องวายด้วยการศดขององลองขาจะว่า ีะยกทหารมาปล้นเร า, า, าค่ายเราเป็นมั่นคงคอยท่านแต่งฐานไปซึ่งดีริมทานน้อยบ้านหลังเขาอีการถ้าเห็นคนเบ่งยกมาแล้วคอยทางนั้นที่ไปซึ้งมันนะ่ะเข้าทีนักค่ายของเบ่งไม่ได้แล้วเราก็ยกฐานออกตั้งซึงอยดีนอกค่าเห็นคนเบ่งจะเสียทีแกเราเป็นมั่นคงคื อ, อยรื่องนี้ พอยึดฝุ่ไว้ไปกับการฝูงเียีขององหลงละกลับคิดถึการทับการสุที่ประเนประตันไปอยู่ตอนาเนี่ยจะต้องเป็นเช่นนี้เจ้ิงเลยวางก็เห็นด้วยก็ถือว่าวามคิดเนี้ต้องน้ใจที่เราคิดไปทุกระกันและเจ้ิงก็ทำให้้ง และตัวกินนี้ก็ทหารด้วยกระาข่ายเนี่ยประมาณสี่คนเท่านั้นแหละผมยกเชือกมยนรอพูนเข้าไปไว้ในข่ายไปนั้นมากแล้วก็ฟังทหารสีคนที่ในข่ายเนี่ยว่าถ้าผมว่งมาถึงให้ติดโพมขึ้นเป็นขัน้มครั้ง เ, เวลาข้นตัวกินก็พากรุยด้วยนำกำลังทาหารทั้งตัวออกไปขึ้นยืนนอกข่าย ขันไปนกั่ยนเดชขุ น, นเดชบ่าของรงจกมากตายไปแล้วที่มาเกลิ้บอกว่าพนี้นมาลบกันแล้วกอปราฆ่าอะ่ะเพระเวลาค่ำขุดเดก็ได้จูเรื่องกับลีเอ๋อมาฟังทีเดียวว่าเวลาค่ำเหมือนนุกนยกทหารไปเริ่มปราฆ่าเกลิ้ให้ได้ผุนไ่้ฟังอย่างนี้ มีเหรียญมีกอง่าย้ำไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นผู้มีลักษณะอยู่กลางแต่คนนี้เกแก่เหกแต่คนเอ่เนี่ยเห็นแล้วว่ักษณะทาบอกเป็นยืนนั่นนั่นนั่นและออกคือลักษณะของความเป็นผู้ทลายยแต่ผมผมเองจาเป็นต้องใช้เหรียญจำเป็นอย่างมากเพราะฐาเก่าที่มีดีรุ่เก่าเดียวกันแบบนี้ก็ต้องรีบว่าเออที่สองคนเท่านั้น ตีดีรล่งกับตีเอียนเนี่ยิการสำคัญเนี่ยเอาที่มได้เห็นแ่้วสำคัญจริงแตใช่บุคคลต้องแฝงนี่ใช่เดี๋ยวเพื่อนท่นนี่ยีเอียงก็ตีว่าดีเดียวตีเ อ, อีเยหนึ่งต่ดีมีปัญญาเหมือนกันก็ตีว่าไม่หาอุปสรรคโจตีนกาเป็นคนมีคติปัญญาเคยทาฝึกอยู่ซึ่งเราจะดูหนึ่งเห็นว่าโีเ น, นจมูสรารวณด้วยการฝป อ, องลอง เดีเราก็ยกไปปุ้นเอ า, าขอ่เขามันขับเจ้าเห็นว่าตัวจีน ก, ก็จะรู้รู้ถึงการนี้ไแล้วแล้วก็จะปาวเรีนการ้วยก่อนพร้อมมีเย็นกล่าวขึ้นอย่างนี้ผมเอก็หวรอแล้วก็ถึงทู่ว่าเราพอใจให้ดัวจีนรู้ตัวที่เราปฏิธรามะเท่นี้ล้วจะทาการได้ถนั ดู ว, ว่าเราได้วิเคราะห์ดูในความคิดของโจดินแล้วในครั้งเนี้เห็นว่าโจกินนี่จะ ต, ต้องเกือนทหารให้มาซุ่มอยู่ที่หลังเขากิสารเพื่อจะเข้าทิ้ค่ายเราเป็นเมื่นอนคมเราทีเด็ดคานทั้งสองยกทหารไปแต่ขอให้ทหารโจกินที่มาซุ่มอยู่นั่นเห็นเมื่อไปถึงค่ายโจกินแล้วก็จนหยุดทหาร บ้างขึ้นดูแต่กลายก่อนถ้าเห็นเราจุดเผลงสําคัญขึ้นได้พันจมูกฐานออกปจากทางไว้แม้ฐานโจริ่งแตกหนีเราไปก็ให้เปิดทางให้ฐานโจหิ่งผ่านไปก่อนแลว้ว ก, กน็นาํากําลังข้าวโพดมันไลติดตามข่าค ว, าวัานคนนำติดตามก็ไปจนกว่าจะถึงค่ายโจริ่ก็จะเสียทีแกเราเป็นมั่นคงนี่ไงหหลง เหนือชั้นถ้าจะเรียกกันม่าหมัดหมัดรุกหมัดเอื้อมน่เหนือชั้นมีเหรียแมก็ปิ้งแต่ว่าเขาเอียกว่าเหนือชั้นกว่ามีเหรียนด้วยกวอย่างนี้ก็มุ่งไปผมเองก็เรียกเป็นเหรนเป่าเข้ามาให้คุณหมานไปตั้งตุ้นอยู่หลังเขาที่ศาลแล้วก็สังว่าถ้าเห็น ทหารเจ้างแตกไปแล้วให้ติดตามรถไปจนกว่าจะถึงค่ายเอ็นหญิเดวป่าวก็ยกทหารไปซุ่มอยู่ตามผมหนึน่งฝั่งละผขนหนึ่งจัดการต่อไปให้มาใตาเเ้เดียเล็กเดียหญิงองติงคือนายทหารคุ้มทหานออกไปซุ่มอยู่นอกค่ายให้อยู่ให้ไปอยู่นอกค่ายและฟังว่าถ้าเห็นเพลงสําคัญให้ล้อมรถเข้ามา มันที่ฟังอยเดียนเมือนกันแผ่นเพลิงแล้วปล่อยกระนมมังเข้าไปผมได้ฟังการแล้วคไข้ฐานขนฟูและเชือบเพลินก็เลยไปไข่เป็นอันมากแล้วผมเบ่งก็พาฐานออกไปขึ้นอยู่ด้านหลังไข้ขวายแม่พักแท้โจติโจติ คือโจติ้งกับจูจังที่โจทิ้เนี่ยมาซุ่มอยู่หลังเขาปิดศเนี่ยก็มาซุ่งอยู่ละคทันเวลาสอยามก้อยอาหารไปฝอาแนดูทางหน้าเขาก็รู้ว่าทาหารโอนบุญเคลื่อนออกจากค่ายมุ่ไปยังค่ายของเราคือฐานขอนบุงยกไปปีค่ายโจทินนี่โจทินกับจูจัง ก็ติดคิดว่ากุยเหยประหัาดรับผมเราผู้นี้มีสติปัญญาระักแหลข้าการไม่ยำหาผู้ใดเสมอมิได้คือเป็นนะจรน่ยกอกินกับตีนก็รีโยกขงไปยังยของไม่วิเดโยตามคำฝันนี่เยกินไปถึงก็ตีฝั ง, ง่ายเข้าไปเลยเข้าไปในไข่เนเื้อหนักอยู่ไม่มีขาหานที่ทักรักษาเลยก็ฟื้นใจเลยนี้ ผมบุง้งทำโคลนเขาแล้วก็กลับมาจะถอยมาที่ก็พอดีโผล่ในค่ายนะหรือโผลมขึ้นทั้งค่ายเลยทหารเกียรี่ก็แตกตึนกันรุ่นวายทีเดียวมายฐานทั้งสี่มาที่ซุ่มอยู่นะนะั้นทั้งสี่มานี่ก็เพื่อมาใส่เกลอดเกลียีอองเส็งน่ะสิทั้งสี่มายนี่ก็ไปมารอยกฐานร้อมเข้ามารบพุ่งเป็นสามาทีเดียว โจตึ้นกับจิมก้านเห็นเหลือกำลังก็พาทหารมาร้อยลูกพวกนีไปตามทางใหญ่ฝ่ายจิลูกใหญนะ่นั่นก็ยกประตัริมพันแล้วก็ร้องว่าไอ้เกมมึงจะนหนีไปไหนโจตุ่นกับจีมก้านตกใจรีบควกม้มาวานหนไปจากค่ายจิ่กูกกับหนีนก็ยกทั้งไร้ตามไปนี่ตามคำสังละทีี้ข้างฝ่ายทหารในค่ายของโจตุ่นนะ เห็นโจตึกับตีางพาานพวกมาตรงเข้ามานี่ก็คิดเป็นอื่นไม่้ึเรื่พูดกวันจได้เพรามนันคืนคิดว่าีมันพวกคนด้วยเนอกมาจะร่วงค่ายนี่ทหารที่ไม่ค่ายผิคนผี่โจโจตึ้นังเาไว้อะนะเห็นโตตึกับตีจ่างขวบมาจะเข้ามาค่ายเนี่ยทหารผิดค่ายก็คิดว่าเป็นพวกขนด้วย ก็ตืกเพ้สสำคัญที่ตามคำฝังเลยยื่นเงขึ้นเลยเกียจิดับปุยด้วยเนี่ยยกฐานรถก็มาเข้ามาก็พอดีตัวหินเดียวเปล่ายกตามมาถึงเห็นฐานของเกียวจินอ่ะโหวงค่าควันกันรุดไวอยู่เองโอหเดียวเปล่าก็มันเกเข้ากับมีเลียนยกเข้าไปเป็นสาทางข้าควันฐานเกีิก็นาเข้าไปลมปากระจายไปทีเดียว แล้วก็กลบมายันงค่ายของบุกทัางชาวเวล า, าวเท้าเกหยิ่กับมีวิ้ผูกก้เขาไป็นเจ้าเลยก็ยกหันกลับเข้ามาตั้งอยู่ในค่ายดังเกา่า คือว่าจะเป็นอยเอี้ยนกอดปาล์มอุนิ้นเตือเปลจูเล่กอดปาล์มไปแล้วก็แล้วกันไม่ได้ไป ย, ยึดค่านะดอกพิ้งค่ายอยานั้นแหละตัวอุนกกลับมายังค่ายดังเก่าเขาปรึกาแตว่าเราทาถึกกับขนเบ่งครั้งนี้ก็ขึ้นความคิดอยู่แล้วเราจะทประการใดะขนเบ่งจึงจะถอยกลับไปยีเพื่อเพื่อที่วันการสงครามจมหมายเอาชนะฝ่ายเดียวไม่ได้ ถึงจะมีฝีมือลความที่เขาสบายกดจังจะต้องนี้แพ้บัางชนะบังะะบงา ง, ง, งท่านก็อย่าพุ่งเสียใจเลยข้าะเจ้าจะให้ผม ไ, ได้ point ย็ให้ได้ม่มีคุยเวื่อกล่าวหนี้แล้วก็พูดบอกว่าเมืองเสสียงอันเป็นเมืองนอกแดนเราอยู่ข้างที่ตะวันตกเนี่ยแต่ครั้งขราเจ้าจวี อ, อ๋องยี้ก็ชนอยู่เจโฉ ก็ดะมีไม้ตรีกอดเสกเขียนเสอเขียนเกิไปนอกเนาไประวัติเครื่องบณาการแต่เลียทห่เกียจจะมีเสอเสกเขียนทุกปีมาวนี้เด็ค่ะก็คอยท่านแต่งัครือไปถึงเียที่เกียจเลยให้ยกฐานกหลังไปตีเสฉวนและให้บอกกล่าวไปเรื่อยว่าเสร็จราชการแล้วจะแต่งเครือบรณาการไปแทนคุณได้อยงขนา มีแผนการอะไของกูด้วยนี่ก็ก็จะดี่ะคือไทยกำลังคนอื่นเลยเมืองเฟ่เขียเป็นเมืองนอกแบรนนอกเคสก็ล้ายๆเมืองหมั่นอ่องเป็นเมืองต่างประเทศกันให้ดินเขาไปตเสยชว้านไ่ฟงห็ดยแต่งพิิมาับเครื่องบรรณาการอ่ะเรียกาไอสนิทถือไปให้แกีี่เียนะเมืองเฟ่เขียน ว่าแขนของเจ้าหมูมีหว้วยปีชัยขนเบ่งหอยครับนี่ก็จะให้อีกบ้านอีกมือไปปีเต๋อชวนถงด้านหลังจากวันนั้นเถิดถามาปวเก็หาปกได้ไไดอยกลนีนี้กล่าวความมีมนมกเนี่ม ย, ยมีคุณนายผู้ใหญ่คน คุณางขังแบบว่างกรายกรปล่อยพลังงานี่แง่ังคุณนางาาปา่ยทหารท่นนทออกีกมีสองคนขั้นทหาของโจกินมาถึงก็เข้าไปหาแง่ตังฝ่ายิแต่คุณแงป่อยกระายการพลนงนีง่ปังก็พาตัวผู้ถือของโจกินเกิ่มอบรรดาการก็ไปสอบกระจกเปียก พเพเตี่ยวิเก็กน้นสือมนมาปรึกษาคุงนางผู้ใหญ่ทั้งมแม่ตังคุณนางป่าตะเล้องยืนพูนว่นาแต่ก่อนมานะพระเจ้าวีอ๋องพเพเจ้าวีอ๋องนี่คือเตยโชนะครับแต่ก่อนมาพเจ้าวีอ๋องก็เคยมาห น, น่อมทำไมตรยกับเราแบบนี้เกี้ยวิงสุดเสียทีแก่ผมบึให้มาข อ, อกองทัพเราไปช่วยครั้เราจะหนีเสียไม่เอาธุระ ก็มิชอบเด็ดเคยไม่คือจะมาแต่ก่อนทุกเจี๊ยบเจี๊ยบดฟังแต้ในก็เห็นด้วยก็ฟังเนี่ยปั้งกบอดติดคุณมันฝ่ายดีฝ่ายดื่ทั้งคุยแหละว่าท่านจึงเตนียหาร25หม่นยกไปช่วยเถอให้เบรคเครื่องฟ้าปราวแบกจายกันให้ทวนเัรวยบครบเปคนับ สิ่งสำคันั้นคือเรียเหล็กเยเหล็กสำหรบรอรุธเลือมีมีมีกองทัพรถกรอบมาลาย ว, วันนั่นเปิดมีเป็นเกรยเล็กเป็นอาวุธข้หนึง่งกองเขิบเนตกับอิดก็ไปตัดทหารียมพรมตามคาฟังแล้วก็ขบมาธรรมะปราบราไปเถิเปียกนี่เยกยกทหารงไปยังานสเสร็จต็ อันถึงผู้รักษาอยู่ทางด้านรู้เก่าดังนั้นควอยามที่เนื้อควมไปบอกไปของเบ่งของเบงได้แจ้งดังนั้นอ้าวสุดสคิดแล้ววาดระแวงหมั่นองเบงเฮกก็กระทำการปลาคปาม็นย่ำแย่ผำเร็จแต่ัดนีมือย่างนีมือเสยเขียงหนึ่งกระทำดังนี้ คนเนก็ถามถามว่าผู้ใดจะอาสาไปรกับฐานเงินเสเียงได้บ้างวัวหินเลียวเป่าสองลูชาเสือก็ติว่าเขาไปเจ้าจะขออาสาไปรบกับองทัพเงิงเสยเขียงเองคนเล่นก็ติว่าเจ้าทั้งสองยังไม่เคยไปทางบานเสกเป็นแต่เอาเถอเราจะให้ม้าป้ายเนี่ยไปด้วยดัยม้าป้ายนะ่ะทำมาในทางนั้นเกิดไปามาอยู่เมือเน แล้วก็รู้ทงท่วงทีมเงนเสกียงอยู่ผมเอก็เกณฑ์ทหารห้าหมื่มอให้คุณหงเว ป, เปาพร้อมหยุ่มาตายยกทหารไปทางบ่านเสกเมื่กไปถึงคุณหิงก็พาทาร้อยผน ขึ้นไปบนยอกเขาเห็นปองทัพมือเยสยเสียงยกมาถึงเอาเกวียนเหล็กเนี่ยมาป่อวงกันก็เป็นค่าย น, นีมือมีพวกเหล็กมือเสเียเสียงมีมีอาวุธเตะกันว่าพิเศษพ่เศษกว่าเขาแล้วคือไม่ไม่ต้องสร้างค่ายคูรกระปุ่นรบเอาเกียนั้นเปพามาที่เป็นเกวียนเหล็กกันแหละมาป่อวงกันก็เป็นค่าย แล้วเอาเรื่อนฟากราวดปากไว้บนกุญมันดยมันคนสามารถนะกหญงมีวิเคราะห์ดูอ่ทยานมาก็กเหมือนอุบายที่จะทำะการใดอย่างไรให้เด็กไทยชนะได้ดเหมนใครเขาได้มันเข้มขันมั่นคงนะกุ น, นนะก็กราบลงมาลราเนอความเดืยวเปล่าแต่มากใต้ควาแล้วก็ปึกษาจัหวะเราจะพิจารณการใด อาหารมีเสรหินรึงจะถอยกลับไปได้มาใต้ก็ดีว่าเวลาคุ่บุบเราจะยกไปลโดูพื้นมือสักครั้ ง, งก่อนเมื่อช่วงที่การบาดเย็ไวแล้วเราจึงก็คิดทาการกันต่อไปคือจะต้องประรองกาลังพื้นกันก่อนดูก่อนวรหินก็ควรชอบด้วยครั้งรุ่งเช้าก็จัดแจงให้มาใต้เป็นปีกซ้าย ตัวเปล่าเป็นปีกขวาตัวกอนวินเป็นกองกลางเคลื่อนทับไปยังค่ายเศเขียนน่ะควายออกติดแห่เศเขียนเห็นดังนั้นก็แยกเงินเหล็กเป็นสองทางแล้วตอนนีก็ขึ้นมาถือคอนเหล็กเป็นอาวุธออกมายืนหน้าทหารใช้คอนเหล็กเป็นอาวุธตอววินก็ขวบมาออกม า, มาหน้าทหารทั้งสวง อาหาสากองว่ายลบกไปเลยทีเดียวออกกิ่หงเสเกีก็ลบลอกให้วนหนกับอาหรว่ทะลกไปแล้วก็เอาเกียงเด็นนะ่ะล้อมเข้าไว้เดียวเปกลับมาตเมมา เ, เห็นหนุ่ไปติดในล้อมของค่ายเกียงเด็ก็ควบมานี้ออกมา่ะแต่กว น, น่กับอาหารสทล้ำล้าเข้าไปนะติอยู่ในที่ล้อมทันจะฟันฝ่าออกมา ก็เห็นทหกงเอาเกร้ อ, องก็ไว้มันคงเป็นสา ม, มารถแล้วเป็นขั้วมาถึงนเนินเขาน้อยแห่งหนึ่งขางที่เหนือมีออดกิ๊กขั้มาถึงข้อเนือถือ้อเหนืเปวมีเพลิงแห่ามีงติดตามมาเป็นม่ตตามมาออิติดตามมก็ร้องตะวัดคนหนิง่าทหารือเด็มันจะหนีไปไหนคนนนั้นก็โตชาย เอลี่โกลเบียงแล้วทุกครั้งกูโกงกันมาบุ่มบิ่น็พวกมาตันเรืมาเหมือนเดิมแบบนั้นเห็นมองมาแต่หนึ่งวง้าอยู่แล้วหยิ่งก็ทัดมาตาก็หกกับออดิกแต่เตือนหยิ่เนีแต่ชือตนปู่ยออกแทนเียนนิดหก็พวกมาหนีออกวเล็ไปมา แต่ไม่ถูกเปลือยหนคอนเหนน้ำควาจากเปลือยหิ น, น, ห น, น, นก็ไปถูกหลังมาของเปลือยหิงเท่าไหรมาก็ยงยงเปลือยหินทัดตัวโยงไปในห น, นองน้ำเลยออดิคก็ร้องสาางั่งไม่ทันมึงกัดเปลือยหิเนเปิกตกใต่ออตขึ้นไปขึ้บนไยินเสีย้งแต่ตนไม่ยแล้วกออหลังมาดีดเลยแต่กระเนตกจากหลังมาไปอยนะ่างนั้น เรือนหนึนออดดงงนน่งก็ชัมาออกดอกันออติมานน้ำเหมือนกันน่ะอยู่้านหลังมาเลก็นโงงนตกลงมาอย่น้เองเอึงมาออกจอกวันออกิดกมีน้ำีไปงึ่งก็ขึ้นบัตแล้วก็ทิ้งออกมาเขาออกี่หลมัมา้เดือบไม่คนเลยหลังหักไปแล้วก็ออกมาออกติดม ด, มออดทีแลบบไปถึาน้นให่คน ฐานที่ใหญ่คนไม่ฟันฐานของอดีตอยู่คุณก็ตคิดว่าในี่ผู้นายใครตันเนี่ยมาช่วยชีวิตเราครั้งนี้มีคุณต่อเราเป็นยิ่งนะเราจะต้องดูมาให้รัแบเบมื่อเสนอจัดการแล้วจะได้แทนคุณเขาคุณก็ควบมาตามมายิงยิงฐานที่ใหญ่คนนั้นคือเตืน มิขังอูเหลูกสวนอนูแดงเท่าขาวขนเสือ้อเขียวใสเกาะทองขี่มา้าม้าเสเทาด้วยขี่จเจเ้าเสกเทาเดือี่ิปลายพร้อมกันนเมื่อขวาถึงโนมีไฟลูกมัวลอยอยู่กลางอากาศวรหยเห็นช่นนั้ก็มีความดีดีทำมา่องกับหลังมา้า อสูร ก, กายปลือยปูนั้นก็ชี้มือไปที่ตะวันออกแล้วก็ร้องล่นเจ้าจพงเิ่นออกไปทางนี้เถิดบิดาจะพาไปเส่งให้ถึงค่ายแล้วรูปอสูร ก, กายตัวนี้ก็หายไปตัวหนุมก็มรีบเกือบมาออกมาตามทางติดโอนปูที บ, บิดาทีบอกไปแหละคือเทมาไปทางทิศตะวันออก มาช่วยไว้แันนี้ยไดครับเอ้าคุณนุ้ยก็โคบมาของต่ว่ากษรุ่งแล้วไป ท, ทั้งพิศทิศเชื่อตายอ่ะก็ไป